เคีงเกันเยอะเลยโยมเดี๋ยวนี้พัฒนาเยอะนะเมื่อวานพระก็ดีนะพระช่วงหลังๆมาเรียนดูดีขึ้นเยอะเลยเมื่อวานพระมาหลายวัดมีวัดหนึ่งมาเยอะที่เชียงใหม่ท่านก็อยากภาวนากันอาจารย์สอนสอนมีอาจารย์สอ น, สอ น, อาาสอนหลายองค์นี้เวลาอาจารย์สอนัึงคล้ายๆสอนแล้วคล้ายๆมีจิกซอเป็นตัวต่อ ต, ต่อกันไม่ได้นะ ท่านฟังซีดีหลวงพ่อฟังแล้วเข้าใจเข้าใจท้อตื่นเลยธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนนะสำัยแต่ก่อนเราฟังตอนเด็กๆ อ, อ่านพระไตรปิฎกแล้วงงว่าทำไมควรฟังพระพุทธเจ้าแล้วบรรลุมรรคผลกันง่ายๆพราะพระุทธเจ้าแสดงธรรมะนี่นะงดงามในเบื้องต้นในท่ามกลางในที่สุดสมเหตุสมผลไปหมดเลยพอฟังแล้วมันปิ๊งเลยเข้าใจ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 มีคนเจริญสติมากมากว่าวันหนึ่งก็ได้มากผลนิพพานแตอ่อย่ามั่วนะบางคนไม่ได้เจริญสติแล้วคิดว่าจะได้มากผลนิพพานเยอะมากเลยบางวัดนะพระอนาคาทั้งวัดเลยอาจารย์เป็นพระอระหันต์กับพระอีกหลายองค์เป็นพระอระหันต์ยายชีแม่ครัวอะไรพระอนาคาเคยได้ยินแปลกๆหนึ่งขนาดว่ามีหอยวัดหนึ่งบรรลุพระอระหันต์ฟังแล้วกลุ่มใจแทนนะ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 พรวางทีเวลาทําความสงบมากมแล้วไปติดความสงบอยู่เฉยๆจิตไม่เดินปัญญาท่านก็สอนให้พิจารนกายตรงที่ท่านพิี่นาการ ย, ยังไม่ใช่วิปัสนาหรอกเป็นการกระตุ้นให้จิตมันทํางานไม่ให้มันนิ่งเฉยหลวงปู่มั่นสั่งว่าระวังอย่าให้จิตไปติดเฉยนี่พอท่านพุทธโธพารณากายนะจิตใจของท่านก็คล่องแคล่วปราดเปรียวตั้งมั่นด้วย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 ดีก็ชั่วคราวชั่วก็ชั่วคราวสุขก็ชั่วคราวทุกข์ก็ชั่วคราวทุกอย่างชั่วคราวนี่ฝึกไปให้จิตมันเห็นของจริงเนี่ยเห็นของจริงเข้าไปอีกกายนี้ถูกความทุกข์บีบขั้นอยู่ตลอดเวลาจิตก็ถูกตัณหาบีบขั้นอยู่ตลอดเวลามันทนอยู่เนี่ยที่เดิมไม่ได้ฝึกให้เห็นความจริงยิ่งขึ้นไปอีกกายนี้เป็นแค่วัตถุธาตุไม่ใช่เราหรอกจิตก็เป็นนามธรรมเป็นวิญญาณธาตุเป็นธาตุเหมือนกันเรียกว่าธาตุรู้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 นั่นเพ้งไปเรื่อยการที่เพ้งเพ้งรูปมากๆนะเพ้งเก่งๆมันจะได้รูปประชันรูปประชันคือการเพ้งรูปแล้วถ้ารูปประชันนั้นเป็นรูปประชันที่ไม่สนใจนา้ำเกลียดนามไม่ชอบน้ำมันจะดับความรู้สึกลงไปพอถึงฌานที่4ี่เพ้งจนจิตมีอุเบกขาจิตมีอุเบกขาก็เอกคตาจดจ่ออยู่ในรูปคนเดียวไม่สัดสายไปที่อื่นเลยนะ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 ทำสมาธิอย่างนี้นะเข้าๆออกอๆโดนท่านดุเอานิพพานอะไรมีเข้ามีออกไงจะภาวนาไงาอีกเราก็คิดว่าท่านฟังเราไม่รู้เรื่องนะก็เล่าซ้ําอีกนะโดนท่านดุครั้งที่สองเฮ้ยนิพพานอะไรอย่างนั้นนิพพานไดมีเข้ามีออกใจเลยรู้ความจริงเลยนี่มันไม่ใช่ทางนะเห็แต่หลวงปู่เทศท่านจะให้เล่นไว้ท่านเองจะได้ชํานาญทุกๆอย่าง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 มีปัศนากรรมฐานก็ต้องรู้การู้ใจไปรู้อย่างอื่นไม่ได้งันก็วนเวียนอยู่รู้กายรู้ใจไปอย่างนี้แหละเขเห็นความจริงแล้วไม่ยึดถือไม่ยึดถือแล้วมันไม่ยึดถือเลยมันไม่ใช่ไม่ยึดถือเฉพาะตอนเข้าสมาธิอยู่ข้างนอกนี้มันก็ไม่ยึดถือดังนั้นไม่มีความแปรพรวนที่เกิดขึ้นนะใจมันก็ไม่แปรปรวนอีกต่อไปแล้วไม่ใช่ปลุพลุโผล่เดี๋ยวก็หันซ้ายเดี๋ยวก็หันขวาไม่เป็นหนึ่งเนาะเพราะงั้นการปฏิบัติไม่มีอะไรนะฌ่นมหาบัวสรุปเว้น่าฟัง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 ยูงจีองก็สอนนี้มีแต่เรื่องกายกับใจหลวงปู่ดูลยสอนบอกอย่าทรงฉิตออกนอกทรงฉิดออกนอกก็คือลืมกายลืมใจไม่ทรงฉิดออกนอกคือไม่ลืมกายลืมใจก็คือรู้สึกกายรู้สึกใจนั่นเองแล้วรู้สึกกายกับใจถ้ารู้สึกได้ก็รู้สึกเข้ามาถึงใจบอกให้ดูจิตแล้วลัดที่สุดเลยเพราะกุศลอกุศลมรรคผลนิพพานเกิดที่จิตนี่เราภาวนาเราตัดตรงเข้ามาถึงจิตบอกนี่ลัดที่สุดเลย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 สิ่งที่เรียกว่าฌานของท่านนั้นก็คือจิตที่ไปเพ่งนั่นเองจิตที่เรียกว่าสมาธินั่นคือจิต e, ที่ตั้งมั่นในการรู้ทนะ่านว่าฌานเป็นสมถะสมาธิใช้ทำวิปัสสนาก็คือสิ่งที่หลวงพ่อบอกนั่นแหละถ้าจิตเราไปเพ่งอยู่ในอารมณ์เดียวนะหลวงปู่เทเรียกวาฌานเป็นสมถะถ้าใจเราตั้งมั่นในการรู้อารมณ์ท่านเรียกว่าสมาธิจิตตั้งมั่นจิตมีสมาธนะิเรื่องที่หลวงพ่อสอนไม่ใช่ของใหม่นะครูบาอาจารย์สอนมาแล้วนะ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 หลวงู่ดุลท่านบอกสอนล้าต้องให้ได้อัตถรรตทั้งปริยัติปฏิบัติปฏิเวท<ม>การฟังธรรมะถึงจะมีประโยชน์จริงๆอันนี้ที่สอนสอนทุกวันนี้ก็ครูบาอาจารย์สอนมานน้นแหละเพียงแต่ว่าท่านสอนคนน้อยๆหลวงพ่อสอนคนเยอะเท่านึงไม่ใช่เรื่องประหลาดพิสดารอะไรหรอกไปกินข้าวไป <c oughs> นี่หมดเลยครับนี่น